ก็กราบบูชาพระธตนตรยัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนก็กราบคารวะพระอาจารย์ฉัดชัยพระอาจารย์แจ็คเพื่อนสาธ ม, มิกแล้วก็น้องเนนะขอเจริญพรแม่ชนะีและก็อุบาสิกุบาสิกาทุกท่านนะที่มาร่วมกัน <c oughs> ใช้ชีวิตนะเพื่อการเรียนรู้ที่วัดป่าสุขโ ต, โตในวันนี้เป็นยังไงบ้างวันนี้ฝนตกเย็นสบายไหมก่อนหน้านี้มันร้อนมากเลยใช่ไหมมันบอกว่าคนมีบุญมาปฏิบัติธรรมนะฝนมันก็เลยตกนะให้ชุ่มฉ่ำนะชื่นใจสังเกตไหมธรรมชาติมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะ ตัวเราก็มีการเปลี่ยนแปลงจิตใจเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะหลายคนนะก็มาตั้งใจมานะอยากจะมาเรียนรู้นะทราบข่าวว่าวัดป่าสุขกโตนะเป็นแหล่งเรียนรู้นะเรื่องชีวิตนะฮเดี๋ยวนังสือเดี๋ยวค่อยเก็บก็ได้นะนั่งอยู่กับที่ก่อนนะ เดี๋ยวแค่เก็บที่หลังก็ได้ <c oughs> บ้างไงนะรีบไปรีบมาที่จริงระหว่างนี้เราจะไม่อนุญาตเลยนะให้จัดการให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นมาทำวัดเท่าที่ ได้สังเกตดูนะหลายคนนะก็ตั้งใจนะที่จะมาเรียนรู้นะเรื่องชีวิตเรื่องของตัวเราเองนะหลายคนก็มาด้วยความหวังดีนะของเจ้านายบ้างนะของพ่อแม่บ้างของผู้ปกครองบ้างนะก็เท่าที่สังเกตดูบางคนก็ตั้งใจดี แต่บางคนก็ยังไม่ใ่อยตั้งใจเท่าไหร่ยังไม่เห็นความจาเป็นนะฮะมาทำอะไรเนี่ยอยู่ที่บ้านสบายๆมาทรมานตัวเองทำไมนะทีอาจจะคิดในใจนะขอให้เข้าใจเลยนะไม่ได้ทรมานตัวเองนะทรมานกิเลสงานเนี้นะทรมานกิเลสแต่ความที่เราไปเข้าใจว่ากิเลสกับตัวเรามันคืออันเดียวกัน นะมันก็เลยรู้สึกว่าแม้ทรมานตัวเองนะโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันแรกนะที่มาฝึกปฏิบัติกันหลายคนเคยฝึกสมาธิบ้างฝึกกรรมฐานมาบ้างนะหลายสำนักอ่านหนังสือมาบ้างนะเท่าที่พอจะจับประเด็นกันได้ส่วนใหญ่นะก็จะมุง่งนะให้เรา ทำจิตให้สงบให้มีความสุขให้มีความอิ่มเอิบให้มีความเย็นอกเย็นใจนะเข้าใจว่ามาทำสมาธิเนี่ยมันจะเกิดอย่างนั้นทันทีเลยนะแต่มาวันนี้ไม่ใช่เลยอะ่ะง่วงหลับง่วงนอนหน้าเบื่อจะตายคิดฟุ้งซ่านไม่รู้อะไรนักหนาอยู่ที่บ้านไม่เคยเป็นอย่างนี้เลย นะฮะ่วงเราก็นอนใช่ไหมคิดฟุง้งซ่านล้วก็โทรหาเพื่อนคุยกับเพื่อนเล่นอินเทอร์เน็ตนะเบือแล้วก็ออกไปช้อปปิ้งหรือไปหาอะไรอร่อยๆกินทีว่าสบาย่ะตายไหมอยู่ที่นี่ไปไหนก็ไม่ได้ข้าวกล้ยกินแค่2เวลาตอนเย็นมีน้ำปลาหน้าให้วันนี้ฝนตกอีกบางคนสละสิทธิ์เราไม่ยอมไปกิน หลายคนก็อาจจะเอ๊เรามาถูกที่วัเนี้นะแล้วว่าเราจะมาความสุขจะมาความส ง, งบมาความเย็นอกเย็นใจแต่ที่ไหนได้เบื่อก็เบืออนน่อง่วงกอง่วงฟุ้งซ่านก็นไม่รู้เท่าไหร่แถมมีพระมาเดินคุมบิกโอ้จะนอนสักหน่อยจะงีบสักหน่อยก็ไม่ได้ เดี๋ยวท่านเดินแวบมาแล้วพระเหลืองมาแล้วตื่นขึ้นมาเลย <c oughs> นานี้ก็สังเกตดูนะนะบางคนก็ตั้งใจพระมาะไม่มาไม่สนใจนะเราก็ยกมือเดินชงกลมของเราไปนะบางคนนี่แหมากําลังหลีตาในพระเดินมาตื่นขึ้นมาเลบนั่งเข้าจังหวะใหญ่ <c oughs> หนะอันนี้ก็เรียก ว, ว่าต้องใช้บริการพระเหลืองในวันลแรก้จะเป็นแบบนี้แลหละนะ เดี๋ยววันหลังๆจะปล่อยแล้วนะตัวใครตัวมันนะครับตระ น, นั้ น, <c oughs> นี่คือความจริงธรรมะคือความจริงที่ปรากฏที่แสดงเราไม่ต้องไปปฏิเสธแล้วก็ทิ้งความคาดหวังทั้งหลายสิ่งที่เราสร้างมาก่อนที่จะมาวัดป่าสุกโต นาดูอินเทอร์เนต็ตโอ้มันสวยงามดีมันสงบลมลื่นดีมีพระอาจ า, า, ยารย์ไพศาลพูดธรรมะฟังง่ายๆมีหลวงพ่อกำเขียนนาเห็นแล้วเย็นสบายยิ้มแยม้มแจ่มใสนามาแล้วถ้าจะดีที่ไหนได้อาจ า, า, ยารย์ไพศาลก็ไม่อยู่หลวงพ่อก็ไม่เห็นเลยที่นอนก็กะว่าจะได้นอนกุติดีๆหน่อยที่ไหนได้ให้มานอนออนใจอย่างเงี้ย เมื่อวานก็โดนยุงกัดบ้างอะไรบ้างนะอยู่ที่บ้านนอนหลับสบายนะอีนนอนนุ่มมาที่นี่กระดานแข็งโป๊กเลยนอนกระเสือกนะก็รู้สึกจะลําบากนะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นการมาฝึกนะมาฝึกอินรีย์ให้แก่กล้านะในที่ที่ลําบากเนี่ยจะสร้างคนนะสร้างความเข้มแข็ง แข็งแกร่งขึ้นมานะแล้วก็สิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันก็จะมีอย่างนะี้และนะ้วก็ปรับตัวปรับใจเรานะที่จะเจอกับทุกเหตุการณ์อาหารอาจจะไม่ถูกปากอากาศอาจจะร้อนเกินไปร้อนไม่พอเดี๋ยวมาหนาวอีกแล้วนะเจอฝนเจอละอองบางคนเป็นหวัดเป็นไอขึ้นมานะอันนี้มันทดสอบตัวเรา นะว่าเรามีอินทรีย์ที่แก่กล้าไหมเราเข้มแข็งไหมเราพร้อมที่จ ะ, ะเผชิญไหมนะ่ะเรียกว่ามาฝึกตัวเราเองเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งใจที่จะมาฝึกตัวเราเองจะมาขัดเราตัวเราเองจะมาท ร, รมานกิเลสความเคยชินเก่าๆเนี่ยมาป่าสุขโตไม่ผิดหวังนะมาแล้วสมหวังแน่นอนแต่ถ้ามาแล้วหวังว่า จะสบายบายนะจะเย็นๆนะจะเป็นไปอย่างที่เราคิดนะจะสงบนิ่งๆตลอดเวลาเลยจะผิดหวังเนะี่ยเพราะฉะนั้นการมาวัดป่าสุขโตเนี่ยนะเราต้องพร้อมที่จะเผชิญนะทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นการที่จะทำใจอย่างนั้นได้หรือวางใจอย่างนั้นได้เนี่ยเราจะใสยเครื่องมืออันหนึ่งที่เราเรียกมันว่า ความรู้สึกตัวน่ะเเรียกว่าสติสัมปชัญญะความรู้สึกตัวเป็นสิ่งที่มีอยู่แล้วในตัวเราเรามีชีวิตอยู่จนถึงวันนี้เพราะเรามีสมญญติสัมปชัญญะแต่สติสัมปชัญญะที่เรามีหรือความรู้สึกตัวที่เรามีเนี่ยน่ะมันเป็นสติสามัญที่เราใช้ในการดําเนินชีวิตใช้ในการศึกษาเล่าเรียน ใช้ในการเรียนรู้โลกภายนอกนะใช้ในการทำมาหากินนะใช้ในการทำกิจกรรมต่างๆแต่ความรู้สึกตัว น, นี้เนี่ยนะมันยังไม่เพียงพอนะที่เราจะมาแก้ความโกรธความโลภความหลงความหนักอกหนักใจหรืออารมณ์ดีอารมณ์ร้ายอารมณ์ร้อนอารมณ์เย็นมันยังไม่เพียงพอนะ แต่โดยธรรมชาติแล้วเนี่ยเขาก็พยายามที่จะปรับตัวสังเกตไหมเราเคยกโกรธเราก็ไม่ได้โกรธตลอดเวลาโกรธมากๆสุดท้ายมันจะกลับมาที่ความเป็นปกติดีใจมากๆสุดท้ายมันจะกลับมาที่ความเป็นปกติเพียงแต่มันจะเร็วหรือมันจะช้าเท่านั้นเองใช่ไหมซึ่งถ้าเราไม่ได้มาฝึก ไม่ได้มาพัฒนาความรู้สึกตัวเนี่ยนะมันก็จะเป็นเรื่องที่เราปล่อยไปตามยถากรรมอ่ะนะบางทีก็ดีบ้างร้ายบ้างอารมณ์ดีอารมณ์ร้ายนะเกิดขึ้นเราไม่สามารถที่จะปกป้องตัวเราเองได้ไม่สามารถปกป้องใจของเราให้พ้นนะจากความโลภความโกรธความหลงได้นะเพราะว่า สติสัมปชัญญะหรือความรู้สึกตัวที่เรามีนะมันไม่เพียงพอมันยังอ่อนกำลังมันยังไม่มีประสิทธิภาพนะเพราะนั้นเราจึงมาฝึกมาพัฒนามาภาวนาภาษาบาลีกนะ็เรียกภาวนาภาวนาคือพัฒนาพัฒนาความรู้สึกตัวที่เป็นความรู้สึกตัวสา ม, มัญนะที่มีอยู่แล้วในทุกๆคน เราพัฒนาเพื่อให้มันรู้เท่าทันกับความโลภความโกรธความหลงกับอารมณ์ต่างๆกับความนึกคิดต่างๆโดยเฉพาะความคิดปรุงแต่งที่ทำให้เราดีใจบ้างเสียใจบ้างพอใจบ้างไม่พอใจบ้างหรือทาให้เราโลภเราโกรธเราหลงไอ้ตัวความคิดปรุงแต่งนี่แหละนันเป็นต้นเหตุสำคัญ ซึ่งตรงนี้เนี่ยหลายคนอาจจะเคยเห็นแต่บางหลายคนอาจจะไม่รู้ไม่รู้ว่าโอ้ต้นเหตุจริงๆมันอยู่ตรงนี้เวลาเราทุกข์เราเบื่อเราเซ็งเราเหงาเราว้าวเวยเราหนัก อ, อกหนักใจหรือบางทีมีปัญหาแล้วแก้ไม่ได้เป็นปัญหาในใจเนี่ยนะเราก็จะไปวิ่งหาคนข้างนอกหาวัตถุข้างนอก นะมาช่วยปดเปลื่องมาช่วยกบเกลื่อนนะอย่างเช่นเราเบื่อเราก็ไปดูหนังฟังเพลงใช่นะไหมหรือไปหาของอร่อยอร่อยกินนะซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันเพียงแต่เป็นการยืดเวลาเป็นการกบเกลื่อนอารมณ์เหล่านี้เท่านั้นเองเราไม่ได้เข้าไปเผชิญกับอารมณ์ไม่ได้เข้าไปเจอกับปัญหาตรงๆ ไม่เข้าไปเรียนรู้มันเราวิ่งหนีมันดูเพราะสิ่งที่เป็นความทุกข์เนี่ยส่วนใหญ่เราวิ่งหนีแต่มันก็วิ่งตามเรานะ่ะแต่ความสุขเนี่ยเราวิ่งหาแต่ความสุขมันวิ่งหนนะีเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยนะมันก็เลยทำให้จิตใจของเราเนี่ยมันมันไม่ไม่ปกติเดี๋ยวดีใจเดี๋ยวเสียใจเดี๋ยวพอใจเดี๋ยวไม่พอใจ ใจมันฟู ฟ, ฟแฟบแฟบถ้าใจเราเป็นอย่างนี้บ่อยๆเนี่ยจนกลายเป็นความเคยชินหรือ ก, กลายเป็นนิสัยเนี่ยมันจะทำให้เราเป็นคนที่หาความสุขได้ยากจะเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์อยู่ร่ำไปและแก่ตัวเนี่ยจะกลายเป็นคนเจ้าอารมณ์นะเป็นคนขี้โกรธเป็นคนขี้งกนะเป็นคนขี้หลง น, นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแล้วเราก็คงจะเห็นผู้เฒ่าผู้แก่ของเราที่ไม่ได้ฝึกไม่ได้เรียนรู้พวกนี้นะเราก็จะเห็นเลยเป็นขี้หลงบ้างขี้ลืมบ้างโกรธง่ายบ้างนะอันนี้เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้มาชำระลา้างนะสิ่งที่เป็นเอ่อมลทินนะที่ฝังอยู่ในใจเรา นะเพราะฉนั้นการที่เรามาเจริญสติมาพัฒนาสติเนี่ยก็เพื่อที่เราจะได้ให้มารู้เท่าทั น, นความคิดปรุงแต่งรู้เท่าทันกับอารมณ์รู้เท่าทันกับความรู้สึกนึกคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เราเกิดมาจนถึงปัจจุบันหรือถ้าจะย้อนไปถึงชาติที่แล้วก็ไม่รู้เท่าไหร่ าชาติที่แล้วเรายังไม่ต้องพูดถึงละเอาตั้งแต่เกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีทั้งสิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีที่เราทํทาทั้งที่รู้ตัวและไม่รู้ตัวมันฝังอยู่ในใจของเราเนี่ยแล้วจิตวิือใจเนี่ยมันก็จะสะสมสิ่งเหล่านี้เอาไว้สะสมไว่มากๆเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราหนักอกหนักใจบางทีเราก็มีอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้ว่ามันสาเหตุมันเป็นเพราะอะไร เรามีความทุกข์ใจเพราะอะไรนะเราหนัก อ, อกหนักใจขึ้นมาโดยที่เราไม่รู้สาเหตุแต่เมื่อเรามาเจริญสตนะิมายกมือก็ดีมาสร้างจังหวะก็ดีมาเดินจงกลุมก็ดีสิ่งที่มันฝังใจเนี่ยมันจะค่อยๆแสดงตัวออกมาแล้วอารมณ์ที่เป็นอารมณ์ที่ไม่ค่อยไม่ค่อยไม่ค่อยดีเนี่ยมันจะแสดงออกมาก่อนเพราะของพวกนี้มันเกิดขึ้นด้วยความเคยชินนะ อย่างความน่วงอย่างเงี้ยความเบืออย่างเงี้ยมันจะแสดงออกมาก่อนนะสิ่งต่างๆเราเนี้ยเป็นปรากฏการณ์ตามธรรมชาติเป็นธรรมะที่เขาแสดงออกมาเรามีหน้าที่อย่างเดียวดูอย่าเข้าไปเป็นแต่การพูดว่าดูแต่อย่าเข้าไปเป็นเนี่ยมันก็เป็นเป็นคำพูดที่ง่ายนะแต่มันทำยากแต่มันก็มีเครื่องมืออันหนึ่งที่เราจะทาได้ก็คือความรู้สึกตัว การที่เรามายกมือก็ดีมาเดินจงกรมเนี่ยนะก็คือเราจะเพิ่มน้ําหนนะักหรือเพิ่มความจับไวให้กับความรู้สึกตัวหรือสติสัมปชัญญะนะเพื่อให้มันสามารถที่จะถ่วงดุลนะกับความคิดกับอารมณ์ที่มันไวมากไวยิ่งกว่าแสงนะสิ่งที่ไวกว่าแสงก็คือความคิดนี่แหละแต่สิ่งที่ไวกว่า ค, ค, ว, าค ว, วามคิดคือความรู้สึกตัวนะ แต่ถ้าเราไม่พัฒ น, นาเนี่ยมันก็เฉื่อยความรู้สึกตัวทีนี้หลายคนอาจจะสงสัยเอยเราไปฝึกสมาธินี่มันต้องนั่งหลับตานิ่งๆ น, นะมันต้องสงบนะมาที่นี่ไม่ยอมให้หลับตาเลยแล้วก็ไม่ให้นั่งนิ่งๆเลยให้เลื่อนไว้ตลอดเวลาแล้วมันจะสงบได้อย่างไรทีนะบางคนอาจจะมีข้อสงสัยต้องเข้าใจยอย่างนี้ เมื่อประมาณก่อนที่พระเจ้ า, จ, าจะตัดสลูเนี่ยนะสามพันสี่พันปีที่แล้วเนี่ยพวกฤาษีจีไพยเนี่ยก็ฝึกจิตสงบที่เรียกว่าฌานก็คือมีความสุขกับความสงบที่นิ่งดิ่งไม่รับรู้อะไรข้างนอกเลยนะซึ่งเจ้าใจจะก็ไปเรียนมากับอาจารย์สองคนได้ฌานเจ็ดานแ ขนาดเขบอกว่าในคัมภี์ก็บอกว่าขนาดฟ้าผ่าลงมาต่อหน้าขนาดที่ท่านนั่งเนี่ยท่านก็ไม่ได้ยินเสียงท่านมีความสุขนายอยู่ในฌานนายที่ท่านนั่งหลับตาแต่คัมภีร์ก็บอกต่อไปว่าเจ้าชายท่าก็ยังไม่ยินดีไม่พอใจในความสุขที่ได้จากความสงบอันนี้เพราะอะไรเมื่อตื่นขึ้นมาทํากิจกรรมตรงนู้นตรงนี้เนี่ย ท่านก็ยังมีใจที่หดหดกับปัญจวัคคีย์บ้างกับคนที่ใกล้เคียงบ้างหรือบางทีใจก็คิดไปถึงยโสตร า, าคิดถึงลาหุนนะภรรยาลูกของตัวเองคิดถึงพ่อคิดถึงแม่คิดถึงเมืองนะก็ยังมีความอะไรวอลอยู่นะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยท่านก็ ท่านก็มาดูแล้วว่าเอ๊ะความสุขนี้มันยังไม่เที่ยงเนาะมันก็เป็นความสุขชั่วครั้งชั่วคราวเนาะมันเป็นความสุขสงบขณะที่เรานั่งหลับตานาะขณะที่เรานั่งนิ่งๆ น, นะแต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยท่านก็ถามอาจารย์ว่ามีอะไรที่มากกว่านี้อีกไหมอาจารย์บอกไม่มีแล้วเนี่ยแหละสุดยอดแล้วความสุขในยุคนั้นเป็นสุขสงบซึ่งท่านยังไม่พอใจ ไปถามอาจารย์คนไหนก็ไม่มีใครยให้คําตอบตรงนี้ได้ท่านจึงไปศึกษาต่อไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะไปเรียนรู้ด้วยตัวเองนะก็ไปพบว่าอ๋อที่มันเป็นทุกข์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่ว่าเราจะไปกลบมันหรือไปกดมันเช่นเวลาเรากลุ้มอกลุ้มใจเราฟุ้งซ่านเราก็ไปนั่งห้องพระเงียบๆแล้วกดไม่มันคิดนะ ไม่ต้องคิดฟุง้งซ่านหรือบางคนก็ไปอาศัยเล่าไปอาศัยยาเสพติดกดไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกให้มันลืมลืมไปให้มันหลับไปหรือบางคนกินยานอนหลับให้มันหลับไปนะให้มันลืมลืมไปนะซึ่งไม่ตื่นขึ้นมาหรือยามันหมดฤทธิก์ก็คิดอีกนะเพราะนั้นท่านจึงจับจุดด้วยว่าที่มันทุกข์เนี่ยอ๋อเพราะเราไปหลงในความคิด นาไม่ท <PTSD> well. ันความคิดความคิดมันปรุงแต่งต่างๆนาาทําให้เราสุขทําให้เราทุกข์แล้วท่านก็ได้พบสภาวะอีกการหนึ่งก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ปกติซึ่งตรงนี้เนี่ยคนสมัยก่อนยังไม่มีใครเจอเจ้าใจจะได้ค้นพบโอ้มีด้วยเหรอสุขทุกข์ไม่สุขไม่ทุกข์เออมันมีด้วยคนทั่วไปที่ไม่ได้ฝึกจิตเนี่ยก็จะอยู่กับสุขกับทุกข์ จมอยู่กับสุขจมอยู่กับทุกข์เหมือนเราที่เราเป็นม า, นาก่อนที่เราจะมาฝึกเราจะมาเรียนรู้พวกนี้นะเราไม่เคยที่มาเห็นใจปกติเลยจริ ง, จรงใจปกตินี่มีทุกคนขณะที่เรานั่งฟังอยู่ตรงนี้เราลองดูสิใจเราเป็นยังไงสุขไหมทุกไหมเฉยเฉยใช่ไหมนี่แหละคือภาวะปกติที่เขามีอยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่เคยได้มาสังเกตเราไม่เคยได้มาดูเพราะนั้นเราก็ไม่คุ้นกับภาวะตรงนี้เราไม่คุ้นกับใจที่เป็นปกติตรงนี้ทั้งๆ ท, ที่ใจปกติเนี่ยมันหล่อเลี้ยงให้เรามีชีวิตอยู่จนถึงปัจจุบันทำให้เราไม่ใจฟูๆแฟบๆหรือว่าใจิตใจมันละหกละเหนินไปกับความสุขความทุกข์ทีนี้ใจที่ปกติเนี่ยนะ มันจะสัมผัสได้ยังไงได้บ่อยๆการจะสัมผัสใจปกติได้บ่อยๆก็คือกลับมารู้สึกตัวที่เรามาทํากันนี่ก็คือกลับมารู้สึกตัวทีนี้ใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่มองไม่เห็นมันไม่มีตัวตนมันเป็นนามธรรมาเราจะเข้าไปดูมันตรงๆเนี่ยมันไปดูไม่ได้มันไม่มีตัวตนเราคงเคยได้ยินนะไปอา่านหนังสือบางเล่มเขาก็บอกให้ดูจิตให้วางใจให้ปล่อยวาง ให้ทําจิตว่างพูดนะมันพูดได้ตัวหนังสือก็เขียนได้อ่านแล้วก็พอจะรู้แต่มันทําไม่ได้เพราะอะไรเพราะเราไม่รู้กลไกหรือไม่รู้เทคนิคมันสิ่งที่เป็นนา ม, มาทําคือใจเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่มีตัวตนแต่ใจเนี่ยมันติดอยู่กับกายกายไม่เป็นสิ่งที่มีตัวตนเพราะฉะนั้นเราจะอาศัยกายเนี่ยเข้าไปหาใจการจะปลุกความรู้สึกตัวที่กายเนี่ย นะเราก้าสายการเคลื่อนไหวนะแต่ก่อนเนี่ยที่จะมีการเคลื่อนไหวเนี่ยครูบาอาจารย์ตั้งแต่หลวงปู่มั่นนะหรือว่าหลายครูบาอาจารย์ก็จะใช้ลมหายใจบ้างใช้คําบริกรรมบ้างพุโทโธสัมมาอะรหังยุบหนอพงหนอซึ่งก็เป็นวิธีการหนึ่งนะที่จะทําให้ตัวเราเนี่ยกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เราเรียกว่าเรียกความรู้สึกตัวมาอยู่กับเนืกับตัวแต่วิธีการอย่างนั้นเนี่ยมันเหมาะกับสังคมที่ไม่ต้องรีบร้อนสังคมที่อยู่นิ่งๆ น, งน ะ, อะตอนนี้พึ่งมาเยี่ยมเยือนนะเราดับไฟก็ได้นะแล้วก็ไปเปิดไฟด้านหลังนะให้มันไปเล่นอยู่ด้านหลังนะนะพิ่งก็จะมาฟังธรรมด้วยแต่ไม่ต้องไปกลัวนะเขาก็อย่างนี้แหละเขามาเล่นไฟ เปิดไฟล์ด้านหลังให้เขาไปเล่นอยู่ด้านหลังลนี้ก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมชาติอันหนึ่งที่วัดป่าสุกโตมีทีนี้ต่กี้นี้พูดถึงว่าเราจะเข้าไปดูใจเข้าไป ดูใจที่เป็นปกติเนี่ยเราอาศัยกายสมัยก่อนนี่ครูบาอาจารย์ก็ใช้ลมหายใจบ้างใช้คำบริกรรมบ้างนะทให้นิ่งทำให้สงบชั่วขณะหนึ่งแล้วปลุกตัวเองให้ตื่นอย่าไปนิ่งหรือไปสงบอยู่ในอารมณ์ที่สงบนั้นที่เรียกว่าสมถะนะ <c oughs> แต่ส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ไปฝึกเนี่ยกำลังของสติไม่พอ มัจะจมไปอยู่กับความสงบเลยเพราะฉะนั้นตัวสติเนี่ยจะไม่ตื่นจะไม่ตื่นรู้มลวงพเทียนเนี่ยท่านก็ได้ไปฝึกฝึกอานาปนาสติฝึกยุกหนอะพองหนอท่านเป็นคนฝ่ายใจเรียนรู้เรื่องพวกนี้ก็เรียนมาหลายหลายวิธีนะ <c oughs> สุดท้ายเนี่ยท่านไปเรียนวิธีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่าการตึงนิ่งนะคือการไหวนิ่งการเคลื่อนไหว มีคำบริกรรมด้วยเพื่อว่าหลังจากที่ท่านเข้าใจธรรมะรู้ธรรมะจริงๆแล้วท่านก็มาปรับวิธีการให้มันเหมาะนากับคนในยุคปัจจุบันที่ต้องมีการเคลื่อนไหวโดยให้มีการเคลื่อนไหวเนี่ยก็คิดวิธีการขึ้นมาการยกมือ14จังหวะเนี่ยเป็นวิธีการที่ท่านประยุกพยายามทำให้มันเหมาะกับคนในยุคปัจจุบัน ให้มีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวของมือนะซึ่งมือสิบสี่จังหวะนะหลายคนก็ได้ฝึกไปแล้วแต่เมื่อเช้าเห็นหลายคนก็ยังทำไม่ก็จะชัดเจนนะักแต่งก็ทำไปอย่างนั้นแหละยกมือไปแต่ไม่รู้ตัวหลักใจก็ลอยคิดไปอย่างนั้นอย่างนี้ซึ่งดูจากหน้าตาก็รู้ใจลอยๆหน้าลอยๆใจลอยๆ การยกมือเนี่ยเวลาเรายกเนี่ยให้มีการเคลื่อนให้มีการหยุดแล้วรู้สึกกับการเคลื่อนการหยุดการพลิกการยกอย่าไปทําแบบอัตโนมัติไปยกแบบอัตโนมัติยกไปอย่างนั้นเองอะ่ะแต่ไม่รู้สึกตัวเลยฟรีเลยนะวันนี้ทํางานฟรีเลยความรู้สึกตัวไม่มีเรื่องการเดินจงกรมก็เหมือนกันน ะ, ะบางคนเนี่ยเดินวงกลมไม่ใช่เดินจงกรมเดินเดินอยู่นั่นแหละ นะการเดินเนอย่างนั้นเนี่ยนะแล้วเดินไปก็คิดไปใจลอยไปนะตรงเนี้ยเดินฟรีการเดินจงกลมที่ถูกก็คือเราเดินในระยะประมาณแปดถึงสิบสองเก้ามองไปในระดับประมาณวานหรือว่าครึค่ง น, นะเดินสบายๆอย่าไปเดินแบบเพ่งจ้องความรู้สึกตัวเนี่ยนะให้มันเป็นความรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะ ไม่ใช่เป็นความรู้สึกตัวแบบจี้ใจมันรู้ตลอดรู้บ้างเผอบ้างรู้บ้างเผอบ้างแต่กลับมารู้ให้เร็วกลับมารู้ให้ทันนะบางคนไม่รู้จะต้องจี้ให้มันรู้ตลอดเวลาอันนั้นมันจะมันจะตื่นมันจะหนักหัวมันจะมึนมันจะอึดอัดมันจะน่วงมันจะเพ่งเาไปข้างในมันจะน่วงนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราต้องปรับสมดุลของเราเป็นศิลปะอย่างหนึ่ง งาที่เราจะต้องแก้อารมณ์ของตัวเราเองครูบาอาจารย์ไม่สามารถไปแก้ได้เดี๋ยว่าอารมณ์ความน่วงเนี่ยมันจะเป็นภูเขาลูกแรกเลยที่จะมากั่นเราเรียกว่าเป็นเป็นอุปสรรคกันแรกที่มากัน่นไม่ให้เราเข้าไปถึงความรู้สึกตัวริจใจที่เป็นปกติเพราะฉะนั้นเราจะต้องผ่านความน่วงให้ได้วิธีการผ่านความน่วงก็มีหลายวิธีวันนี้ ห, นหลายคนทําเดินให้มันเร็วขึ้นเดินถอยหลังบ้าง ถ้ายกนือก็ยกให้มันเร็วขึ้นทุบแรงๆตาตื่นขึ้นอย่าไปหลีตานะวันนี้เห็นหลายคนก็หลีไปทอดสภานียกับความง่วงะนะตาตื่นขึ้นทำให้มันเร็วขึ้นอันนี้คือแก้ง่วงเป็นอุบายแก้ง่วงถ้านั่งอยู่มันยังง่วงทำเร็วแล้วทุบแล้วอะไรก็แล้วมันไม่ตื่นลุกคุณเดินเดินดแล้ว เบนเลยแล้วถอยหลังแล้วมันยังง่วงอีกไปล้างหน้านะหรือมองออกไปไกลๆให้อารมณ์มันออกไปหน่อยให้มันคลายออกไปอย่าไปทุ่ซีมันเห็นมีบางคนนั่งทุซีเงื่อนว่าง่วงแต่เนี้ยเนี่ยจิบจิอย่างเงี้ยทําอย่างเงี้ยไม่ใช่สู้แดงไงอะ่ะยกมือสัมผัสจิบจิอย่างเงี้ยเรียบร้อยพ่อสะพานเลย บางคนนั่งไปตัวตรงนั่งไปนั่งมาเองไค่ได้เอ็นลงเรื่อยๆจะกลายเป็นงูเรื่อยไปแล้วปัญหาครอบงามเลยนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเราแก้ได้เราต้องมีศิลปะในการแก้นะจุดใจก็คือให้รู้สึกตัวกับกายเคลื่อนไหวเพียงแค่รู้สึกเท่านั้นหลายคนไปคิดว่าเอ้มันมีอะไรมากกว่านี้อีกไหมไม่มีอะไรมากกว่าเนี้เพียงแค่รู้สึก ความคิดทุกความคิดทิ้งเลยนะคิดดีคิดไม่ดีทิ้งหมดเลยธรรมะทั้งหลายที่เคยเรียนมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังจากครูบาอาจารย์ทิ้งหมดเลยรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวถ้าเรารู้สึกตัวได้ไบ่อยๆต่อเ น, นื่องกันเป็นลูกโซ่ธรว่าต่อเ น, นื่องเป็นลูกโซ่นี้ที่นี่คือมันเป็นความรู้สึกแต่ละขณะแต่ละขณะพัฒนาการที่เห็นได้ชัดเจ น, นหนึ่งก็คือว่าแต่ก่อนเนี่ยเราคิดสิบเรื่องเราไม่รู้ทันสักเรื่องเลย ต่นี้พอเราทําความรู้สึกตัวได้บ่อยๆเนี่ยคิดสิเเรื่องรู้ทันเรื่องหนึ่งอีกเก้าเรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรคิดสิเรื่องรู้ทันสองเรื่องอีกแปดเรื่องไม่รู้ไม่เป็นไรทันวันนี้บ่อยๆซ้ๆําๆบ่อยๆซ้ๆําๆสุดท้ายมันจคิดปุ๊บรู้ปับคิดปุ๊บรู้ปับนี่อัตโนมัติแล้วตาวิเศษเกิดแล้วตาใจเปิดแล้ว ต, ตาที่สามเปิดแล้ว ตาที่สามคือความรู้สึกตัวมันเปิดละมันเปิดมันพร้อมที่จะเห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นภายในตัวเราจริงๆไอ้ตาตรงนี้มันก็เห็นแล้วล่ะเรานั่งเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเราเห็นมันไหมแต่ก่อนตอเราปวดเราเมื่อยเนี่ยเราโอเลยใช่ไหมเรางุดหงิดเลยใช่ไหมต่อไปนี้พอเราเห็นอ๋อมันปวดมันเมื่อยรู้นะแต่ใจเราไม่ไม่หงุดหงิดก็ได้มันเป็นเพียงแต่อาการแต่ใจเราไม่หงุดหงิด มันจะเห็นกายกับใจเนี่ยมันสามารถที่จะแยกกันได้กายเจ็บแต่ใจไม่เจ็บกายร้อนใจไม่ร้อนอาการร้อนอบมากแต่ไม่หนุกหนิ ด, ดเออนี่เป็นสิ่งที่อาจจะไม่เคยเจองาเด้วยว่าตาวิเศษมันเกิดกันละเพราะนั้นการเห็นธรรมะเนี่ยนะไม่จะไ้เห็นดวงแก้วไม่จะเห็นนรกสวรรค์ ไม่จะเห็นสีเห็นแสงเห็นเนี้ยเห็นตัวเรานั่งอยู่เนี่ยเห็นความปวดความเมื่อยเนี่ยเห็นจิตที่มันคิดวับนุ่นวบนี้เนี่ยแต่เรากลับมารู้สึกตัวเนี่ยเห็นตรงเนี้ยเห็นความคิดตรุงแต่งเนี้ยไอ้เนี้คือความจริงที่มันปรากฏเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแต่ละขณะแต่ละขณะเห็นมันบ่อยๆเราจะฉลาดขึ้นจะเกิดปัญญาชนิดหนึ่งที่รียกว่าปัญญาพุทธะไม่ใช่ปัญญาแบบชาวโลก ไม่ใช่ปัญญาที่เกิดจากความคิดแต่เป็นปัญญาที่เกิดจากการเห็นความจริงของกายของใจที่เขาแสดงออกมาแล้วเขาก็เป็นตัวของเขานะแต่ความที่เราเนี่ยไม่รู้เราก็ไปหลงว่าเป็นตัวเราเราปวดเราเมื่อยเราร้อนเรางุดหิดเป็นเราหมดเลยจริงๆไม่ใช่ตัวเรา มันเป็นกายเป็นใจที่เขาเป็นธรรมชาติของเขาอย่างนั้นความที่ความรู้สึกตัวหรือสติปัญญาเราไม่ชัดนี่เองนะมันก็เลยทาให้เราหลงเข้าไปหลงก็ไปว่าเป็นตัวเราหลงก็ไปดีใจเสียใจหลงก็ไปในสุขในทุกข์ถอนตัวไม่ขึ้นแต่เมื่อความรู้สึกตัวเราชัดแล้วเนี่ยมันจะเห็นละมันจะถอนตัวออกมาเลยมันจะไม่เข้าไปยุ่งเลยคิดได้คิดไป เราไม่ตามความคิดเรากลับมาที่การเคลื่อนไหวยกมือเดินจงกรมกลับมาให้ได้บ่อยๆเพราะนวิธีการนี้นะไม่ยากเลยนะง่ายมากๆทำอย่างเดียวกลับมารู้สึกตัวใช้สูตรสาเร็จที่อาจารย์จงเสินพูดไว้เนะี่ยใจมีสติอยู่กับกายก็คือกลับมารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวและวิธีนี้เนี่ย เป้ามันใหญ่คำว่าเป้าในที่นี่คือความรู้สึกตัวมันจะตื่นได้ง่ายถ้าเราไปนั่งหลับตาเนี่ยลืลีใช้ลมหายใจเนี่ยเดี๋ยวหลับไปเลยความรู้สึกตัวมันไม่ค่ยชัดมันไม่ตื่นแต่เรายกมา้ายกมือในความรู้สึกตัวมันชัดเป้ามันใหญ่ถ้าเรารู้สึกตัวที่กายเคลื่อนไหวชัดนี่นะเดี๋ยวพอ อะไรที่มันละเอียดละเอียดมันจะชัดขึ้นกับพิบตาก็รู้หายใจก็รู้ตื่นน้ำลายลงไปในคอก็รู้พัดลมพัดมาโดนผิวหนังเย็นๆเราก็รู้นะอันนี้มันจะเริ่มละเอียดขึ้นมันจะเห็นสิ่งที่ละเอียดขึ้นความคิดความนึกมันก็จะเห็นชัดขึ้นมันจะรู้เท่าทันขึ้น จากความรู้สึกตัวที่เราพัฒนามาจากกายเคลื่อนไหวนี่แหละมันจะทำให้เราสามารถเข้าไปเห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมได้เราอาศัยความรู้สึกตัวที่เป็นนามธรรมเนี่ยเข้าไปดูสิ่งที่เป็นนามธรรมก็คือกายใจของเรานี่เองงาใจที่มันมีอาการต่างๆแล้วมันจะเห็นโรงละครโรงใหญ่หมู่ระศพทางจิตวิญญาณที่มันจะแสดงตัวออกมาตลอดเวลาเราเป็นผู้ดู เราไม่ได้ลงเข้าไปในอาการเหล่านั้นซึ่งสนุกมากถ้าตาเราเปิดขึ้นแล้วเนี่ยเป็นละครชีวิตที่เป็นตัวเราเข้าไปแสดงมีความคิดปรุงแต่งเป็นนายโรงเป็นผู้ในการสร้างมีตาคือสติเป็นผู้ดูดูมันแสดงให้ดูเราไม่เข้าไปอยู่ในมันแล้วแต่ก่อนเราดูเนี่ยเราจมเข้าไปเลยเหมือนเราดูหนังดูละครเนี่ย เราจมเข้าไปในหนังเลยอันนี้ก็เหมือนกันอาการต่างๆที่มันเกิดขึ้นอารมณ์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นความคิดต่างๆที่มันเกิดขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเราจมเข้าไปเลยเข้าไปอยู่ในนั้นเลยแต่เมื่อเรามีความรู้สึกตัวเนี่ยมันจะถอนออกมามันจะเป็นผู้ดูซึ่งตรงเนี้ยตาวิเศษมันทํางานแหละเพราะฉะนั้นสิ่งที่เรามาทําเลยนะเป็นสิ่งที่เราสามารถจะทําได้แต่ต้องอาศัยความเพียรพยายามหน่อยต้องอาศัยผ่านอุปสรรค ความเมื่อยความเบือ่อความฟุ้งซ่านนะวันนี้เพียงแค่วันแรกนะพรุ่งนี้หนักวันที้อีกแล้ววันที่สามจะหนักที่สุดแล้วพอวันที่สี่นี่สบายแล้วมันจะเริ่มสติมันเริ่มตื่นมันจะเริ่มทางานแล้วเพราะฉะนั้นที่เรามากันเนี่ยนะถือว่าเป็นโอกาสดีเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้มาเรียนรู้เรื่องพวกนี้ นะนอกจากเราทําในรูปแบบแล้วเนี่ยนอกรูปแบบกิจวัตรประจําวันกิจกรรมต่างๆก็พยายามใส่ความรู้สึกตัวเข้าไปอ่าง่ายๆเนี่ยนะห้องน้ำผู้ชายเนี่ยป้ายก็เขียนว่าการุณาถอดรองเท้าหรือเปลี่ยนรองเท้าหลายคนเปลี่ยนหลายคนถอดแต่หลายคนไม่เปลี่ยนไม่ถอดใส่รองเท้าเหยิบยําเข้าไปเลยเปินเปิดแล้วเทอะเลยเห็นไหมเนี่ยเราเราไปแบบ เคยชินเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวนะหร่อบางทีปุบปุปึงเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวละเราทําไปทําความเคยชินนี่พอเราเจอคนที่เรารู้จักคุยเลยการคุยเ น, นี่ยนะอาจารย์ลงสินพูดหลายครั้งแล้วว่าพยายามคุยให้น้อยหรือไม่คุยเลยได้ยิ่งดีเพราะมันเป็นดูรั่วนายเห็นเห็นมีหลายคนนะก็เก็บเนื้อเก็บตัวดีไม่พูดไม่คุยเงียบ เจ็ดวันเลยนะให้เวลากับตัวเองกับเพื่อนด้วยการงดการพูดคุยคุยหรือคุยในะคุยเบาๆเท่าที่จำเป็นเพราะการคุยเนะี่ยมันเป็นรูปของความคิดนะ่ะมันคิดโดยที่เราไม่รู้ตัวเราฝึกมาทั้งวันเลยนะเหมือนกับเราเอาสติใส่ ก, กระปุกความสินไวนะ้น่ะพอเลิกปุ๊บเสียงมงปุ๊บเลิกเลยแล้วก็คุยกันเลย สติก็หายไปเลยสตินี่มันมาเร็วแล้วไปเร็วนะถ้าเราสึกใม่ๆเนี่ยพยายามเก็บนิอวเก็บตัวให้ดีพยายามคุยกันนิดน้อ ย, อ ย, ห, อยหรือไม่คุยกันได้ยิ่งดีบอกกับเพื่อนเลยว่าเราช่วยกันนะเราเป็นกาลยานามิตรกันนะเราจะไม่พูดไม่คุยเราจะมามีความรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆในกิจวัตรประจําวันนะการกินการขบฉันการนอนการเดิน การทำกิจวัตรการแปลงฟันการล้างหน้าด้วยความรู้สึกตัวอย่าไปเพียงแค่ทำในรูปแบบหรือเป็นตารางเวลาอะก้าโมงะเดินจงกรมสร้างจังวะอามีสติชัดพอโมงหมดพอแล้วไม่ทำละสติที่เราทำมานะมันจะหายวับไปกับตาเลยแล้วกลับไปก็เหมือนเดิมไม่มีอะไรมาแล้วเสียเวลา นะเสียเวลาเพราะฉนั้นพยายามเก็บเกี่ยวให้ดีตรงนี้โดยเฉพาะคนนี้มาใหม่คนเก่านี้ก็จะรู้ละว่าอะไรเป็นรูเลือด อ, อ, อะไรเป็นจุดบอดนะรูเ ล, ล, ลือจุดบอดที่สําคัญก็คือบางคนนําอยู่เฉพาะในในช่วงรูปแบบแต่พอออกนอกรูปแบบไม่ทําเลยปล่อยเนื้อไปตัวเลยเพราะว่าช่วงที่ทํามันหนักอ่ะมันมันเบื่ต้องหาเพื่อนคุย นี้เป็นความเคยชินเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยยากสักหน่อยสําหรับคนที่เริ่มต้นใหม่หรือคนที่ไม่มีศรัทธาแต่ไม่เป็นไรนพยายามฝืนหน่อยนะพยายามทนหน่อยยังไม่มีสติไม่เป็นไรมีขันติไว้ก่อนมีความเพียรพยายามไว้ก่อนนะตรงนี้เนี่จะทําให้เกิดผลนะผลก็คือความรู้สึกตัวจะต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแลยวทาให้เกิดอะไรขึ้น เราจะกลับคืนสู่ความเป็นปกติคืนสู่ธรรมชาติดั้งเดิมของจิตที่มันสดใสสว่างตื่นรู้เพราะนั้นการฝึกกันนี้ไม่ได้ฝึกให้สงบนะฝึกให้ตื่นรู้เป็นสงบจากความโลภความโกรธความหลงไม่สงบแบบนิ่งๆเพราะนั้นหลายคนเนี่ยมาอาจจะยังไม่เข้าใจแล้วก็ไม่ถามแล้วก็ยังทาวิธีเดิมมานั่งหลับตา น่าเสียดายนะถ้านั่นหลับตาแล้วต้องการฝึกแบบอานาปนาสติแนะนําให้ไปที่ส่วนโมกส่วนโมกนี่จะมีความเชี่ยวชาญเรื่องพวกนี้แต่มาที่นี่เนี่ยเคลื่อนไหวมีความรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวซึ่งวิธีเนี้ยเหมาะกับคนยุคปัจจุบันและสามารถที่จะเข้าใจได้เร็วนะแต่ไม่ได้หมายความว่าอานาปนาสติที่ส่วนโมกไม่ดีนะก็ดีนั่นก็เป็นวิธีการหนึ่ง ทุกวิธีดีหมดเลยนะของครูบาอาจารย์ทุกท่านเนี่ยดีหมดเลยนะเพียงแต่ว่าเราจะจับประเด็นแล้วก็มาฝึกกับตัวอะไรอย่างได้แค่ไหนนะเพราะฉะนั้นคนที่เคยฝึกมาวิธีอื่นแล้วยังไม่ก้าวหน้าลองมาดูนะวางวิธีเก่าไว้ก่อนแล้วก็มาลองวิธีใหม่ดูนะอย่าไปเอาวิธีเก่ามาเทียบกับวิธีใหม่ตรงนี้มันจะทําให้เกิดความคิดปรุงแต่งขึ้นมาแล้วมันจะเนิ่นช้าเพราะนั้นคนที่มีอะไรติดมาในหัวเนี่ยนะ มันช้าหน่อยมันลำบากหน่อยมันเหนื่อยหน่อยแต่คนไม่ไม่มีอะไรติดในหัวไปหัวโล่งๆเลยเนี่ยจะเข้าใจได้เร็วเปิดใจกว้างใครที่เจ้านายหวังดีผู้ปกครองหวังดีแต่ใจแต่ตัวเราไม่ได้หวังไม่ได้มาด้วยใจตัวเองเปิดใจกว้างใช้เวลาเจ็ดวันนี้เนี่ยคุณอาจจะได้พบชีวิตใหม่นะเป็นชีวิตที่มีความเป็นปกติเหนือสุขเหนือทุกเป็นกาไรชีวิตเลยนะ แล้วจะไปใช้ในชีวิตประจำวันได้โดยเพราะนักเรียนนักศึกษาเนี่นะสมาธิจะดีมีสติสมาธิมันจะมาเองนะเราไม่ต้องมานั่งสมาธิหลับตาหรักทำอย่างเงี้ยสมาธิมันจะเกิดได้แน่นอนการเรียนจะดีขึ้นนะแต่ให้เรา ม, มีความมั่นใจเป็นตัวของตัวเราเองพึ่งตัวเราเองได้ไม่ต้องไปพึ่งเงินตน็ตไม่ต้องไปพึ่งเพื่อนแต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะไม่มีเพื่อนนะก็มีเป็นปกติเพียงแต่ว่าเราพิ่งตัวเราเองได้นะนี่เป็นสิ่งที่จะเป็นประโยชน์นะกับตัวเรานะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็อยากจะให้พวกเราเนี่ยนะได้มาใช้เวลาเนี่ยในการพิสูจนะ์พิสูจน์ว่าใจที่เป็นปกติมันมีไหมมันจริงไหมนะและความรู้สึกตัวมันจะทำให้เราไปถึง ใจที่ปกติได้จริงไหมจะคลื่อนสู่ธรรมชาติได้จริงไหมมันก็ บ, บอกว่าธรรมะเป็นสิ่งที่จะต้องรู้ด้วยตัวเองคํำว่ารู้ด้วยตัวเองนี้คือเป็นความรู้ที่เกิดจากการที่เราจเจริญสติแล้วมันเกิดความรู้ขึ้นมาเองไม่ใช่ไปยิ่นด้วยฟังจากคนนู้นคนนี้แล้วจํามาอยู่ในหัวนะจำมาแล้วก็คิดว่ารู้อ้นี้ต้องระวังหลวงพ่เทียนนั่นบอกว่าบางทีเรา ไปจำคนนู้นคนนี้เป็นความรู้ของคนอื่นน่ะไม่ใช่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองแต่ถ้าเราทำนี่เป็นความรู้ที่เกิดขึ้นจากตัวเราเองซึ่งความรู้ตรงนี้ต้องอาศัยความเพียรความพยายามอาศัยการทําอย่างต่อเนื่องพยายามงดการพูดคุยพูดน้อยกินน้อยนอนน้อยจะทําให้มากอันนี้หลวงพ่อเทียนพูดไว้เมื่อสมัยที่30ปีที่แล้วที่ จะมาได้ไปเรียนกับหลังพระเทียกนการกินน้อยในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่ากินจนเราพอแม่งแรงน้อยนะกินพอประมาณนอนน้อยก็นอนนอนเท่าที่ไม่ไม่ได้หวังความสุขจากการนอนและพูดน้อยหรือไม่พูดเลยทําให้มากทําให้มากก็คือนี่แหละขยันเดิมจงกลมขยันสร้างจังหวะขยันที่จะรู้สึกตัวในกิจวัตรประจําวัน ขยันนีบ่บ่อยๆบ่อยๆท่านนั้นมันต่อนเนื่องกันนะเหมืนเขาบอกเอาไม้มาสีกันเนี่ยมันจะเกิดไฟได้มันจะต้องสีต่อนเนื่องกันมันจะเกิดเป็นไฟขึ้นมาได้แต่ถ้าเราสีสีแล้วทิ้งพอหมดเวลาเราก็ไปคุยอย่างนี้มันก็ไม่เกิดเหนื่อยหน่อยแล้วมันก็เนิ่นช้าก็าทาให้เสียเวลาทำให้ไม่ก้าวหน้านะนี่เป็นสิ่งที่ตัวกระผมนี่จะมาเองมีประสบะการณ์ตรงนี้นะแต่ก่อนก็ประมาท คิดว่าไม่ไมเป็นไรทำง่ายๆแล้วทำไปช่วงที่ปฏิบัติชั่วโมงปฏิบัติพอออกไปล้วก็ไปคุยกันนะมันก็ช้ามันก็ไม่รู้ทันนทีนะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยนะเรามาเจ็ดวันเก็บเกี่ยวให้เต็มที่ตั้งใจให้ดีทำให้ต่อเนื่องนะใช้เวลาให้คุ้มค่าใครที่เป็นเพื่อนกันเลยนะแนะนำเลยนะอยู่ห่างๆกันดีที่สุดนะ เพราะว่าเจอถ้าถ้าถ้ารีก็ไปหากันมันอดไม่ได้ต้องคุยกันรีไม่ได้ยี่ต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วเราก็จะไม่ไม่ไม่อยู่ด้วยตัวของเราเองเราต้องพึ่งเขาแต่ไม่ได้หมายความว่าจะไม่ไม่สัมพันธ์กันเลยนะเดี๋ยวเรากลับไปเราก็ไปสัมพันธ์ไปคุยกันได้นะอันนี้เป็นเรื่องที่ไม่เสียหายอะไรเพียงแต่ว่าเราอยากจะให้เวลานี้สำหรับเรื่องนี้เต็มที่นะแต่ก็อย่าไปหวังอะไรมากนะ ลองทําเต็มที่มันจะเกิดผลยังไงก็เป็นเรื่องของมันเหมือนเราปลูกต้นไม้อะเราไม่ได้หวังว่ามันจะโตทันทีเราใส่ปุ๋ยใส่น้ําลงไปก็เหมือนกับเราเนี่ยสร้างจังหวะเดินโยงกลมบ่อยๆนี่ก็คือให้ปุ๋ยให้น้ำเพื่อความรู้สึกตัวมันจะได้ตื่นตาพิเศษมันจะได้เกิดขึ้นความรู้สึกตัวมันจะได้ตื่นเป็นการตื่นรู้นาปลุกจิตให้ตื่นขึ้นนะก็พูดมา พอสมควรนะวันนี้ไม่รู้พูดไปจะฟังรู้เรื่องหรือเปล่าไม่รู้นะนะบ่นไปเรื่อยนะก็ไม่เป็นไรนะก็สุดท้ายนี่นะฝากไปเลยนะกลับมารู้สึกสวยได้บ่อยๆทั้งในรูปแบบทั้งนอกรูปแบบทำให้ต่อเนื่องกันอย่าท้อกับไอ้ความเบื่อความง่วงความเซ็งเบื่อก็ทำไม่เบื่อก็ทำง่วงก็ทำไม่ง่วงก็ทากลางคืนนอนกลางวันไม่นอน นะอันนี้เป็นสิ่งที่อยากจะฝากเอาไว้แล้วก็พยายามงดการพูดการคุยนะคิดว่าถ้าเราทำอย่างนี้ได้เนี่ยนะก็คงจะมีส่วนช่วยนะให้เราได้ เ, เข้าถึงนะความเป็นปกติของใจนะที่มีอยู่แล้วเป็นธรรมชาติเดิมแท้ของใจนะที่จะทำให้เราเนี่ยมีชีวิตนะที่เป็นปกติสุขอยู่เหนือสุขเหนือทุก เหนือการเกิดการแก่การเจ็บการตายนาที่มันมาทำให้เรามีความทุกข์นาอยู่เหนือความคิดปรุงแต่งต่างๆที่เกิดขึ้นละก็ขอให้อ่เกิดผลสำเร็จในปัจจุบันชาตินี้โดยทั่วหน้ากันเถินเจริญพร